กันบานราบธรรมสรการหลวงพ่อคะ่ะคือหนูอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเมื่อวานตอนนั่งสมาธิดูลมหายใจจะเห็นจมูกตัวเองอะคะ่ะอยู่ข้างหน้าแล้วก็หายใจให้เราดูอย่างนี้นะค่ะหลวงพ่อ <c oughs> อันนั้นคือนิมิตรหรือคืออะไรคะเห็นยังไงเป็นความรู้สึกหรือ <c oughs> หรือเห็นภาพ เห็นภาพค่ะเห็นภาพหลับตาอยู่เห็นภาพว่านี่มิจสิสนะแต่ถ้าเป็นความรู้สึกใช้ได้นะค่ะคืออย่าเชื่อสิ่งที่เราไปเห็นเข้าไปได้ยินเข้าน ะ, ะอันนี้ไม่เหมือนวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ให้เชื่อเฉพาะสิ่งที่ไปเห็นไปได้ยินไปสัมผัสได้ของเราศึกษาสภาวะทางจิตใจเรารู้ความรู้สึกเอาค่ะ แต่ถ้าเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของรูปเห็นเป็นรูปแลก็ถูกแล้วน่าจมูกก็อยู่ข้างหน้าก็บอกเห็นจมูกอยู่ข้างหน้าเป็นแบบเป็นแบบจมูกอีกอันหนึ่งออกมาข้างนอกอะค่ะอ๋อนิมิตนะก็เลยแปลกใจแล้วเรื่องภาวนาก็คือเช้านี้เมื่อวานจากซุมเศร้าเช้านี้ก็เปลี่ยนเป็นเบิกบานใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็อิ่ม อิ่มเอิบอค่ะอเอบใจอ่มเอิบเดูไปเมื่อแต่ของไม่เที่ยงภาวนาไม่ได้เอาดีหรอกไม่ได้เอาสุขสงบอะแต่ว่าวันที่ฟุ้งซ่านใจเป็นกลางไหมวันที่จิตใจดีใจเป็นกลางไหมวันใดฟุ้งซ่านใจไม่ชอบวันใดจิตใจสงบดีสบายพอใจเนี่ยแย่เท่าๆกันเลย ค, คือมันหลงยินดีกับสภาวะอันหนึง่งหลงยินร้ายกับสภาวะอันนึง พอหลงยินดีก็ติดใจใช่ไหมหลงยินร้ายก็ติดอกติดใจอยาผลักให้กระเด็นไปเลยเข้าไปยุ่งกับมันไปแทรกแสงนี่การปฏิบัติเนี่ยช่วงใดมันดีมีความสุขมีความสงบแล้วได้กําลังใจช่วงใดมันไม่ดีก็ทอแท้พ่อแปะไปนะแต่ถ้าสติปัญญามันฉลาดขึ้นมาเห็นในช่วงที่ไม่ดีนี่ไม่พอใจช่วงที่ดีนี่ยินดีพอใจรู้ทันลงมาที่ความยินดียินร้ายนี้ เรารู้ทันความยินดียินร้ายในสุดจิตจะเป็นกลางเป็นกลางเองนะไม่ใช่ไปเพ่งให้เป็นกลางก็เป็นกลางแล้วต่อไปไปเจอสภาวะที่ไม uh ่ด uh ีก uh ็เป uh ็นกลางเจอสภาวะที่เลวก็เป็นกลางสภาวะที่ดีหรือสภาวะที่เลวก็เท่าเทียมกันใจเป็นกลางเท่าเทียมกันงั้นใจเราเป็นกลางกับทุกๆสภาวะสภาวะทั้งหลายเสมอภาคกันในความรู้สึกของเราใจก็ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่ง ถ้าใจเราไม่เป็นกลางเราจะเห็นสภาว่าว่าไม่เสมอภาคมันจริงใจเราไม่เสมอภาคกันใจเราชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ถ้าใจเราเป็นกลางเราเห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันตรงที่เห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันเนี้ยครูบาอาจารย์วัดป่าท่านบอกเป็นความรู้สึกเหมือนโลกราบเป็นหน้ากลองเลยเป็นโลกราบไปเลยนะเสมอกันหมดเลยภาวนาจนโลกราบเป็นหน้ากลองไม่ใช่โลกแบนๆไปนะ มันเรียบในความรู้สึกมันไม่มีอะไรสะดุดตาสะดุดใจขึ้นมารักมาชังถ้าภาวนาไปถึงตรงนั้นแล้วโอกาสที่จะเกิดมรรคผลนผิพพานเนี้ยก็มีขึ้นมาละแต่ถ้าใจเราไม่เป็นกลางนะใจก็ปรุงแต่งดิ้นรนไปเรื่อยๆไม่มีโอกาสเกิดมรรคผล น, ผนิพพานเพราะใจปรุงไม่เลิกถ้าใจเลิกปรุงก็ใจจะเข้าถึงนิพพานอะไรนะมากกว่าวันแรกที่มาค่ะหลวงพ่ กดีแลถูกต้องแะแล้วก็ เ, เวลาวนะดูมาม mềm ม, ม, <laughs> มั่วๆไปหมด <laughs> กว่าจะจับจุดได้โง่สักหนาหลวงพ่อ <laughs> เออเมื่อนั้นเดี๋ยวกลับบ้านลืมไหมไม่ลืมค่ะคงไปปฏิบัติต่อค่ะหลวงพ่อของเมือกีสวิวิชากลับดินหลวงพ่อกับวันนี้ดูฟุงฟ้งๆครับแล้วก็ที่เออมื่อสักครู่หลวงพ่อได้เทศถึงว่าวันที่โล่งปร่งสบายซึ่งประมาณวันที่สองที่สามที่ผมรู้สึกว่าโล่ง น่าจะไม่ทันเห็นความยินดีที่อยู่ข้างหลังความพอใจอันนั้นอยู่จนเมื่อเมื่อวานนี้ที่รู้สึกฟุ้งๆหน่อยกลับเห็นความอยากจะผลักสายความฟุ้งเนี่ยชัดกว่าโทสะดูง่ายง่ายกว่ารักะงังนันการที่เราเห็นว่าอยากผลักมนะันเน่ะเห็นโทสะโทสะดูง่ายรตรงที่เผลอๆเพลินๆแล้วพอใจเนะี่ยดูยาก ครับ <ละ S 2> จมเลย ม, มเลยครเข้าใจว่าทําถูกแล้วก็จมอยู่ตรงนั้นแล้วก็มองไม่เห็นนะฮะจนย่อมผมสงสัยว่าเดี๋ยวกลับไปถ้าถ้าเห็นอย่างงั้นอีกจะจะจะพยายามสังเกตดูครับผมใช่สังเกตเอาแต่อย่าดิ้นรนนะสังเกตไปเท่าที่เห็นได้พยายามจะเห็นให้ชัดๆให้ละเอียดอะไรเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านเออใจกลาง <c oughs> หลวงพ่อครับในหลักการที่ผมได้ได้ตามรู้ตามดูในในช่วงที่ปฏิบัติจนจนถึงนักขณะที่พ อ, อพอจะ นำนำไปเป็นฐานในการปฏิบัตต่อได้ไหมครับหก็พ่อมีเกณฑ์ให้มาอยู่วัดเนะี่ยต้องภาวนาพอใช้ได้แล้วแต่กิตตื่นเต้นหน่อยๆ อ, ยอะคะ่ะรู้สึกว่ามันมีอะไรไหวๆอยู่ข้างในอย่าไปขืนอย่าไปฝืนอย่าไปบังคับมันอย่าไปแค้นๆมันขืนมุดก็ต <laughs> อนนี้เกินปกติอยู่นิดนึงอะฮะ แต่ในชีวิตประจำวันอะไรไหวๆก็เริ่มรู้แล้วไม่ได้ไปให้ค่าให้ชื่อมันแอดีนะดีดพวกเราภาวนาเข้มแข็งนะมาถึงจุดนี้โอกาสที่จะเข้าถึงธรรมในชีวิตนี้ก็มีมเป็นไปได้ละถ้าสติตัวจริงตัวแท้เกิดนะสามารถรู้กายรู้ใจได้เนระียกว่าเราทาสติปัฏฐานถ้าเราไม่ท้อถอยซะก่อนตามรู้ตามดูเรื่อยๆไปนะ มันเป็นต้นทางของการบรรลุมรรคผลนิพพานจิตดีนะจิตตื่นจิตยิ้มแย้มแจ่มใสดีเป็นึน่งก็ก็ดูกายดูใจไปเรื่อยๆค่ะแล้วมีความรู้สึกมันจะเฉยขึ้นเรื่อยๆแมันก็แต่มันก็มีฟุ้งซ่านปนๆแซมคือเราอยู่บ้านจิตเหมือนตอนนี้ไหม ไม่เหมือนแล้วคะ่ะตอนนี้จะตื่นเต้นคะ่ะตื่นเต้นอะไรไปกดไว้ค่ะไปกดขำคมนหน่อยอดีแล้วดีแล้วจิรัตดีละเอาเอาส่งกันบ้านหลวงพ่อรีบบอกว่าดีแล้วเพราะกลัวว่าเดี๋ยวหยิบใหม่แล้วมันจะไม่ดีก็ยังมีระแวงนิดนี้อยู่ครับระแวงจะมีโมหะมันก็ยังไม่เป็นกลางจีรัตดก<า>วกเลยใช่ไหมเราไปสร้างโมหะขึ้นเองครับ เราไปปรุงโมหะแล้วเราก็ไปนอนอยู่กับโมหะขยับหน่อยๆมันก็หลุดแล้วใช่ง่ายจะตายไปกิเลสเราปรุงขึ้นเองนะ่ะแล้วทูกทันมันก็ไม่มี้ไม่ปรุงมันก็ไม่มีอหญิงปล่อยไปแล้วไม่ทําแล้วมันหลงไปเลยอะคะ่ะหลงแล้วมันต้องอาศัยรูปแบบมีรูปแบบมีเครื่องอยู่ไว้อันนึงนะสําหรับหัดช่วงแรกๆอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับพุโทพธโธปลอดไทย อย่างอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องอยู่กับเท้าอยู่กับมืออะไรพวกนี้ชอบไปเพ่งมันเป็นวัตถุหยาบหยาเพ่งง่ายเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไม่รู้จะไปเพ่งที่ไหนพุโทโธเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองนี่เราพุโทโธไปแล้วใจฉลับซ้ายฉลับขวาเราคอยรู้เอาสบายสบายไม่ได้พุโทโธเพื่อให้สงบพุโทโธเป็นเครื่องเล่นเครื่องอยู่ใจไหลไปจากพุโทโธเราก็รู้ทัน แล้วมีเครื่องอยู่แว่นจะได้ไม่หลงยาวยางั้นในสติปัฏฐานเนระเริ่มต้นด้วยการมีวิหารธรรมเอากายเวทนาจิตธรรมเป็นวิหารธรรมนี่พุโทโธไม่ใช่กายเวทนาจิตธรรมอะพุโทโธเป็นความคิดเท่านั้นเองแต่พุโทโธแล้วเราก็เอาจิตเป็นวิหารธรรมมีจิตฉลับซ้ายเฉลับขวาเราคอยรู้ทันบางอาจารย์บอกว่า สวัดป่าภาวนาไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานจริงหรอกเพราะไปพุโทโธพุโทโธไม่มีสภาวะไม่ใช่รูปไม่ใช่น้ำอันนั้นเพราเรียนผิวเผินไปไม่รู้ว่าเขาพุโทโธเพื่ออะไรเขาไม่ได้พุโทโธเพื่อจะพุโทโธเขาพุโทโธเพื่อจะรู้จิตงั้นพุโทโธแล้วจิตขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวรู้ทันไปเรื่อยก็คือเอาจิตเป็นเครื่องอยู่นั่นเองมีจิตเป็นวิหารธรรมแต่อาศัยพุโทโธเป็นตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง เราพุทโธเป็นตัวกระตุ้นไปเวลาใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นมันก็ไม่คิดพุทโธพุทโธหายไปเราก็รู้ทันพุทโธหายมันมีสองสเต็ปนะอันแรกเลยเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปใจหนีไปคิดเรื่องอื่นนี่พุทโธหายไปอีกอันหนึ่งเราพุทโธพุทโธใจรวมใจสงบนะใจทิ้งคำว่าพุทโธไปรู้ตื่นเบิกบานอยู่นิ่งๆอยู่งั้นแต่ไม่พุทโธ ถ้าเราภาวานามาถึงจุดนี้แล้วภาวันหลังกลับมาพุโทโธเราจะรู้สึกเป็นความทุกข์เกิดขึ้นพุโทโธกลายเป็นส่วนเกินแพุโทโธเข้าไปนะทุกข์เหมือนโลกจะแตกเลยเพราใจมันปรุงพุโทโธขึ้นมาเห็นเลยใจปรุงนิดเดียวก็ทั้งปรุงพุโทโธย่างทุกข์เลยะเนี่ยถ้าเราฝึกจนชำนี้ชำนานางนั้นภาวานาแค่พุโทโธนะลูกเล่นเยอะแยะเลยไม่ใช่พุโทโธซื้อบือ้ออ่ะคุณตรง หลงเยอะนะครับหลงนานแล้วก็คิดถึงธรรมะของพระอาจารย์นะครับจะเลยต้องมาอีกครับวันนี้ก็คิดถึงธรรมะดีคิดถึงธรรมะก็คือคิดถึงกายถึงใจเรากลับมารู้กายมารู้ใจไปด้วยอย่าไปเพ่งใส่กายใส่ใจอย่าเผลอไปมีแค่นิ่งนะไม่เผลอไปไม่เพ่งไวมารู้มันอย่างที่มันเป็นรู้สบายสบายรู้เล่นๆไป ก็ง่ายๆไม่มีอะไรที่นี่ไม่เหมือนเมืองการนะที่เมืองการเจ็ดโมงครึ่งนะ้ำเต็มห้องแล้วเท่ากันมาแล้ววันนี้มาแค่เนี้ยไม่เกินเนี้ยที่นี่เราจะค่อยๆมายิ่งสายยิ่งเยอะใครมาเช้าๆได้เปรียบนะบอกให้เช้าๆธรรมะคนมันน้อยธรรมะไม่สเปสะปะ พอสา ย, สายคนเยอะนะจิตคนนู้นกระทบคนนี้กระทบนะธรรมะมันก็แ่งไปแ่งมาตามคนฟังว่าหลวงพ่อไม่มีสคริปต์นะได้เตรียมการสอนเคยทดลองเตรียมการสอนนะล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยคนฟังเครียดคนสอนก็ชักจะเครียดเหมือนกันนนี้เราเรียนธรรมะเราเรียนด้วยจิตด้วยใจเอาใจสายสายซื่ อ, อ, อมาเรียน เปิดใจให้กว้างๆทาใจให้สบายๆฟังไปเล่นๆฟังแล้วก็หัดสังเกตไปอย่างนั้นใจลอยแล้วที่ถือไมยอยู่อ้าวว่าไปตอนนี้กำลังฝึกอยู่ค่ะเหลือฝึกอะไรอยู่ฝึกฝึกรู้ฝึกรู้สึกฝึกรู้ตัวอ <c oughs> คอยรู้เวลากิเลสเกิดนะรู้ไวๆรู้บ่อยๆแต่อย่าไปห้ามมัน มีอันหนึ่งที่หลวงพ่อไม่แนะนำก็คืออย่าไปเฝ้าไว้อย่าไปจ้องรอดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาถ้าไปจ้องรอดูแล้วใจจะซึมซึมใจไม่มีความสุขมันซึมงั้นเราอย่าไปจ้องไว้ก่อนอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่างความโกรธเกิดก็รู้เอาใจไหลแว บ, บไปรู้เอาก็เออมันเห็นมากขึ้นว่า เรากดเราะะเพ่งอะค่ะอยยังไม่เคยตื่นเต้นเวลาหม่มาเพราะว่ามันกดไว้อะ่ะใช่ใชพอปล่อยปล่อยมันก็เห็นว่าเออมันตื่นเต้นตื่นเต้นไวๆ ๆ, ๆอยนะ่างเงี้ยปล่อยนะแต่ยังปล่อยไม่หมดเลย<ช>หลอกไหมใช่ค่ะถ้าเราปล่อยไม่หมดนะแล้วก็ใจเราก็เพี้ยนผิดความเป็นจริงแต่ถ้าเราปล่อยจริงๆเราจะเห็นเลยพอไมคใกล้เข้ามาใจก็ตื่นเต้นพอไมคพ้นเราไปก็โล่งใจนี่จะเห็นความเปลี่ยนแปลง ถ้าเราเพ่งไว้นะไม่มากก็เฉยไม่ไปก็เฉยนะเฉยลูกเดียวเลยเอาไตร ล, ลักษณ์ที่ไหนมาดู่ส่งมาข้างหน้าสองวันดูไปเรื่องรู้สึกมันสับสนก็เลยแบบนอนแล้วส่วนมากนะอะอไรนะ <laughs> นนใช้นอนเอาใหม่ซ <laughs> ิ <laughs> นอนด้วยแบบว่าให้มันคลายไปแล้วก็ไปเดินจงกรมอย่างเดียวดได้เดินจงกรมเยอะกว่าช่วงหลังอืนะดีดีขึ้นดีขึ้นแล้ว ผรก็ขอถามที่มึงพอคือดูมาหลายวันเนี่ยมันเห็นจิตอยู่การรับรู้จิตมีอยู่สองลักษณะคือตอนเข้าเข้าตามรูปแบบเนี่ยเห็นแล้วก็มันแบบเราไปกระทบอะไรทุกอย่างเสียงเนี่ยนะมันก็กลับเข้ามากระทบแล้วกลับมากระทบกลับมาไวมากจนแบบว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนลืมตาก็เห็นแบบว่า คล้ายๆเร า, เ, าเห็นอะไรแบบบป๊บเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นเองมีความสุขเห็นสบายมันค่อยๆเหมือนค่อยๆปลอกชั้นอ ม, มไปะชันีชั้นเหนมือนมันมีสองลักษณะอย่างนี้นก็ถูกทั้งคู่แหละนะเวลาเรานั่งภาวนาอยู่มันก็เห็นละเอียดหน่อยอเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นก็เห็นหยาบขึ้นมานิดนึง อันหนึ่งเราทํางานทางใจล้วนๆอันหนึ่งเราใช้อายตนะหกอันความหยาบความละเอียดมันก็ไม่เท่ากันอันอันแรกนี่คือหยาบใช่ไหมครับที่เห็นนะอืมอันแรกสีละเอียดอันแรกเลยเนอกระทบปั๊บปั๊บปับปับขาดหมดเลยนะอะไรมากระทบขา ด, ขาดเหมือนแมงเม่าเข้ากองไฟเลยอ่าลักษณะอย่างนี้ครับเข้ามาแล้วดันออกเข้าทิปออกทิปออกทิปอ อ, ออกเลยนะอะไรนะเข้ามาแล้วก็เหมือนทิปมันออกเอ้ยไปทิปมันนะ ไม่ใช่ลักษณะลักษณะไงแบบแบบแตะสัมผัสรู้แล้วก็หยุดรู้แล้วก็เปลี่ยนไป เ, เปี่ยนรู้ลรแล้วก็ปล่อยไปแต่ไม่ใช่รู้แล้วถีบมันอีกอันก็แบบว่าสมมุติด้วยเห็นอะไรปุ๊บเราก็อ๋อแล้วก็มีอารมณ์อะไรตออ่อเนื่องลงไปเรื่อยๆเป็นชั้นเป็นชั้นลงไปนั่นแหละก็เป็นได้ทั้งสองแบบนะอ่ะมันต่างกันใช้ได้ทั้งทั่าาวคะเมื่อเมื่อวานนี่แบบนั่งหัวรอแบบ จิตในหัวเราะว่าแบบพอมีกิเลสมาเข้ามาเนี่ยแล้วหัวเราะเยอะถ้าแต่ก่อนนี่จะจะดูกิเลสนี่แบบเอามาปรุงเอามาปรุงแล้วก็มองแบบเขาใหญ่มากแต่พอตอนนี้มองเขาแบบเฉยๆแบบไม่มีความสําคัญแล้วก็หัวเราะเยอะว่า <S <S ไม่มีอะไรแล้วว่างเปล่าใช่ไหมแล้วมันเบิกบานใช่ไหมดีนะกิเลสนะใจเราปรุงขึ้นมาเองอะมันปรุงขึ้นมาเรารู้ไม่ทันมันก็มาปรุงแต่งครอบงำใจเรา นี่พอมันมาปรุงแต่งกิเลสมันปรุงขึ้นมาแล้ใจเราไปรู้เขาอีกเราก็มาปรุงอีกมันคอยปรุงซ้อนปรุงไปเรื่อยๆให้เรารู้ทันจิตมันจะเยอะหยันเยอะหยันกิเลสเยอะหยันมาเป็นคลาลามันจะเยอะหยันใหญ่ๆนะตอนที่เป็นรู้มรรคผลมันจะเยอะหยันเหมือนพระพุทธเจ้าเยอะหยันตัณหาคักตัณหาตอนเป็นพระอรหรันต์ เวลาใจเราเข้าถึงธรรมแต่ละครั้งแต่ละครั้งพอถอยออกมาสู่ความรับรู้ทางโลกนี้มันทวนกระแสเข้าไปพิจารณาธรรมะ <Okay. S 2> เตแล้วจิตใจมันจะเบิกบานขึ้มานะมันจะเยอะใหันกิเลส <Okay. S 2> จะเยอะไปเรื่อยๆ เ, เป็นคลาวคลาบได้โสดา์มันก็เยอะนะเยอะโอ้ต่อไปนี้นับวันเธอจะตายไปเรื่อยๆนี่ไม่กี่วันนะ ดวงกิเลสซัดซนุมเลยไปเย้ยมันเรได้ธรรมะทีหนึ่งนะจิตใจห้าวหาญเย้ยกิเลสเย้ยเยาะเย้ยเย้ยหยันเย้ยไปเย้ยมานะไม่กี่วั น, นมันก็กลับมาบ่ใหม่มาสการครับหลวงพ่อครับ อ, อตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานครับหลวงพ่อครับก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกครับเจอหลวงพ่อที่สาลาลุงชินมาสองครั้ง ตื่นเต้นด้วยสามสาเหตุหนึ่งเกรงว่ารถจะขับมาไม่ถึงนี่ฮะเพิ่งได้มาแล้วก็เมื่อวานก็ม่าน้ำรั่วก็นึกดีใจว่าดีรั่วได้วันนี้แล้วจะได้ซ่อมเมื่อเช้าก็ตื่นเต้นตื่นเต้นว่าจะขึ้นทางด่วนตรงไหนไม่ไม่ค่อยได้ขึ้นทางด่วนแล้วก็มาเจอทางที่เขากาลังสร้างก็รู้สึกกังวลแล้วก็ เส้นทางที่จะเข้าวัดรู้สึกหาป้ายผมหาไม่เจอครับก็เลยมาเข้าที่สวนเสือครับก็มาถามทางก็หงุดหงิดก็เห็นความหุดหงิดนะครับพอมาถึงมาเห็นป้ายก็รู้สึกสบายใจขึ้นครับ อ, อผมปฏิบัติมาถึงตอนนี้ก็ประมาณสองปีครับหลวงพ่อครับตอนแรกก็ฟัง ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะฮะฟังมาได้ปีหนึ่งก็ก็ไปพบหลวงพ่อที่ศาลาลุงชินตอนนั้นก็อยากจะถามคำถามบางคาถามซึ่งถามไปแล้วผมอาจจะตั้งคำถามไม่ดีแล้วก็หลวงพ่อก็ตอบไม่ได้ชัดเจนในตอนนั้นเข้าใจอย่างนั้นก็ยังอยากจะถามอยู่ครับผมว่าผมเห็นสภาวะธรรมชัดเจนมากขึ้น ความทุกข์ที่เคยมีเนี่ยมันมันน้อยลงใช่ครับก็ถูกต้องนะผมเห็นความหลงหลังๆนี้ผมปล่อยให้มันคิดไปเลยอืมมีครูบาอาจารย์บางท่านท่านบอกว่าให้มันคิดไปเราก็จะได้ประโยชน์จากการคิดของจิตใต้สำนึกนะผมจําได้หลวงพ่อพุดท่านว่าเมื่อก่อนที่มันเคยทําให้เราทุกทนทรมานเนี่ยพอตอนนี้เรามีสติมันก็เป็นปัญญาของเรา ผมก็จะเห็นว่ามันหลงหลงหลงไปเรื่อยๆแล้วก็ก็รู้มันเป็นขณะขณะก็ดีแล้วใช้ได hey ้จะใจใจมันแรงน้อยไปนิดหนึ่งกําลังมันยังน้อยไปนิดหนึ่งเพิ่มความตั้งมั่นขึ้นนิดหนึ่งของวันนี้นะวันนี้อาจจะตื่นเช้ากลืนไปก็ได้แต่ที่ทําอยู่ใช้ได้แล้วใจมันตื่นขึ้นมาแล้ววันนี้ล่ะมาด้วยกันด้ยก็ตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อจะมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะ มาจากกมงเทพอะไรให้ก็คราวที่แล้วที่สาราลุงชินเคยไปฟังหลวงพ่อแล้วถามยาวไปแล้วหลวงพ่อบอกหยุดพูดธรรมะไม่ต้องพูดอีกใช่มหมแล้วก็ห้ามคลุกคลีกับผู้อื่นที่จริงอยู่กันสองคนเองก็ตั้งตั้งแต่นั้นก็ได้ทางปฏิบัติคือรู้ตัวแล้วว่าเดิมทีนี่มัวหลงกับคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ก็จะจาได้หมดแล้วทีนี้ ปฏิบัติไม่เป็นแต่ตอนนี้มารู้ปัจจุบันก็เลยปฏิบัติเป็นแล้วพากลับขอพระคุณหลวงพ่อค่ะดีนะดีทั้งคู่เลยนุโมทนาขอให้หลวงพ่อช่วยคนได้มากมายเป็นแสนเป็นล้านคนโอ้นึกว่าโมทนาขอให้หลวงพ่อได้ทักผ่อนให้ไปทำงานตั้งแสนตั้งล้านเนี่ยหลวงพ่ออยากจะหนีสาลาลุงชินจะแย่อยู่นะสาลาลุงชินสอนยากที่นั้นคือคนเยอะไป ไเยอะมากแล้วฝึกมาคนละอย่างสองอย่างนะมันมั่วสัว่วกันไปหมดเลยเอ้าวหนูน้อยเดียรัืว่าอะไรเขาสวัสดีหลวงพ่อค่ะอ๋อเออาสวัส ด, ดีอายุเท่าไหร่แล้วแปดขวบครับหกขว บ, บ, บ, บเรหรอไว้ก่อนแปดขวบครับแปดแล้วแปดขวบแล้ว อ่ะเบอร์สิบสองไปเชี่ยวเขียนเด็กรักเดี๋ยวไม่ดีเขาขอมาเองอะคะ่ะอ๋อเหรอเอเ อ, ดอดีพอ <จน S 1> ดีจะหนีหลวงพ่อสอนเด็กไม่เก่งนะสอนเด็กสอนไม่ค่อยเป็นแล้วธรรมดาพูดอะไรแ้ะฟังยากแต่บางทีเวลาเปิดเทปให้เขาฟังเขาจะถามว่าบางทีถามว่าความปรุงแต่งแปลว่าอะไรอย่างนี้เหมือนอกันเน ะ, ะ, น, ะนั่นละสีตอบยากนะ เหมือนถามไม่ายาวแปลว่าอะไรพระเจ้านุกรมสมัยโบราณนะียาวแปลว่าไม่สั้นพอไปเปิดสั้นแปลว่าไม่ยาวตอบยากนะความปรุงแต่งเป็นไงนะมึงตรงข้ามกับความไม่ปรุงแต่งพนะูดยากไม่รู้จะอธิบายยังไงนะจนปัญญาเป็นเด็กแรกๆ เ, เราหัดดูใจของเราไปอยากกินขนมเราก็รู้ทันนะ อยากดูการ์ตูนเราก็รู้ทันอยากทำอะไรเราก็รู้ทันวันไหนโมโหโมแม่เราก็รู้ทันให้โมโหโมไปเราก็รู้นะถ้าไม่รู้ลราบาปถ้ารู้เราได้บุญค่ะ <c> ห <oughs> ลวงพ่อรู้สึกตื่นเต้นนะคะ <c oughs> อืม <c oughs> ก็อยากจะให้หลวงพ่อแนะนำที่ทำอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้ว<อ>ใจม่ค่อยตื่นแล้วละเราคอยรู้กิเลสเกิดแล้วก็รู้เองละ มันรู้ได้เองละใช้ได้ที่ทําอยู่แต่ว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานก็มีทุกอารมณ์อะค่ะก็คือไม่ได้เห็นอะไรมันมันมันเป็นความโกรธของเราคืออะไรนะคือคนส่วนใหญ่ที่ฟังจะเห็นว่าเขาเห็นความโกรธแล้วมันก็ดับลงแต่เรานี่มันแบบมันปรุงมาเป็นอารมณ์ของเราทุกครั้งอะค่ะแต่ก็คือพยาักก็ดูไปเรื่อยๆนั่นแหละดูไปเรื่อยห้ามมันไม่ได้เนี่ยใจมันจะโกรธถห้ามไม่ได้ใจมันจะปรุงก็ห้ามมันไม่ได้ นะตามรู้ตามดูไปเราเห็นก็โกรธที่ไรก็ทุกทุกทีเลยต่อไปแต่หลังไม่อยากโกรธแล้วเออกลับถามหลวงพ่ออีกอย่างหนึง่งอ่านหนังสือวุรรติมักของวิมุรรติมักของหลวงพ่อค่ะรู้สึกมันยากแล้วก็คล้ายๆเหมือนกับอภิธรรมเลยอยากจะทําหลวงพ่อว่าเมื่อไหร่ถึงจะต้องมาศรรมึกษาเรื่องพวกนี้นคะเอาไว้ได้โสดาแล้วมาอ่านก็ยังทันนะ <c oughs> หลวงพ่อเขียนเป็นเท็ไม่ให้ส่วนเรื่องการปฏิบัตินะฟังซ d ดีเอาผมต้องขอญาตเรียนถามความจริงเรื่องหนึ่งครับคือผมเดิมที่ผมรับราชาการก็เล่นแต่บินเลียดยมยกไม่สูงๆนิดนึงครับเดิมรับราชาการครับแล้วก็เล่นแต่บินเลียดเป็นประจำนี่ก็ผ่านพ้นมากเกษียณมาสิบกว่าปี ก็ยังยังมองเห็นไอ้ลูกวิเรียนวิ่งไปวิ่งมาอยู่แม้กระทั่งขณะที่มานั่งฟังพ่ อ, อนี่ ก, ก็อันเดียวกันมันก็เป็นผมเข้าใจว่าเป็นสัญญาใช่สัญญ า, ญญาทีนี้หลวงพ่ชาคำสอนของหลวงพรอชาท่านบอกว่าให้พิจารณารูปนามขันห้ากายใจบ่อยๆเนืองๆ น, น, นะครับแล้วก็ ให้รู้อาการของกายวาจาใจครับว่าที่เป็นจริงตามสภาวธรร ม, มแล้วสัญญาจะหลุดระผมขอญอาติเรียนถามว่าสัญญาจะหลุดได้อย่างไรคือสัญญาอันนั้นคงสำนวนท่านะ่ะนะ ค, คือตราบใดที่เรามีจิตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสัญญาเจตสิกประกอบอยู่เรื่อยๆ แต่ว่าสัญญาของคนทั่วไปพอเกิดแล้วเนี่ยมันปรุงเป็นสังขารต่ออย่างพอจิตมันนึกถึงลูกบินเรียดวิ่งไปวิ่งมาได้ใจเราก็คิดไปถึงอดีตแม้สมัยโน้นสนุกสนานเพลิดเพลินอลยนีย่อย่างนี้ใจหลงไปอดีตหลงไปตามสัญญาตัวสัญญามีหน้าที่จำขึ้นมาเสร็จแล้วสังขารมันไปปรุงต่อนี่ถ้าเรามีสติรู้ทันว่าเนี่ยสังขารมันปรุงแล้วสังขารมันขาดไปนะสัญญาก็ไม่มีความหมายอะไร งันตรงที่ว่าสัญญาขาดไปเนี่ยก็คือมันไม่สามารถปรุงเป็นสังขารต่อไปพอเรารู้เห็นลูกบินเลียดขึ้นมาก็สักแต่ว่าเห็นไปใจไม่ได้ไปหลงคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตอะไรไม่ผะวงสงสัยอยู่ในปัจจุบันด้วยว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นสัญญาหรือมันเป็นอะไรนี่ยเรารู้ลงปัจจุบันไปอย่างบางคนนั่งนั่งอยู่นั่นหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมา ไม่เคยนึกถึงเลยเป็น10บสปีมาแล้วอยู่ๆก็ปลุขึ้นมาได้สัญญามันทํางานขึ้นมาสังขารมันจะปรุงต่อเลยนางคนนี้มันเคยแกล้งเราโกงแชร์เราอะไรเงี้ยอย่เงี้ยมันปรุงกิเลสปัจจุบันขึ้นมาแทนนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันจิตมันในปัจจุบันนะจิตนี้กาลังหลงไปคิดถึงอดีตแล้วรู้ทันปับความคิดดับไปสัญญาไม่ได้มีความหมายอะไรสัญญาเหมือนผีหลอกเราเท่านั้นหลอกหลอก สัญญาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็เป็นอนัตตาห้ามไม่ได้นีบางคนอยากห้ามเห็นลูกบินเลียดก็ไม่อยากจะเห็นไม่อยากให้มันคิดเรื่องนี้อันนี้ไม่ได้ห้ามไม่ได้เห็นแล้วไม่ปรุงก็พอแล้วนะรู้ริยาได้มากับหลวงพ่อหลายเดือนเลยอะค่ะก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาส่งกันบ้านนะคะก็แมวมาไมวันนี้พี่แมวมาด้วยค่ะอ๋อค่ะ ก็ไม่ทราบว่าจะรางานหลวงพ่ อ, อยังไงอะค่ะแต่ก็มีความรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองมากขึ้นน่ยนะคะ<ช>ก็มีความรู้สึกว่าความยินดียินร้า์มันน้อยลงหนูไม่แน่ใจว่าหนูคิดไปเองหรือเปล่าค่ะแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันลดลดลงอะค่ะจากพฤติกรรมเดิมๆที่เคยเป็นนะคะก็ค่อนข้างจะลดลงไปงพอสมควรนะคะใจเราไม่เหมือนเดิมแล้วใจเราเปลี่ยนใจเรามีความสงบร่มเย็นมากขึ้นมากขึ้นมีความรู้ความตื่นมากขึ้น เป็นกลางมากขึ้นดีแล้วเดินถูกร่องถูกรอยแล้วอย่าขี้เกียจนะขี้เกียจเสื่อมได้นะอะคุณพี่ชัยคุณพี่ชัยนะยังมีขมอยู่บ้างครับเออแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่ากิเลสหยามันกลับมาเกิดขึ้นอีกหลังจากหายไปนานนะครับเออกิเลสนะบางทีภาวนาไปเหมือนหายไปนะแต่ไม่หมดหรอกคือตราบใดที่อริยามรรคไม่เกิดขึ้นมาฆ่ากิเลสตายเนี่ยมันขมไม่ชั่วคราว ทีข่มด้วยอารมณ์กรรมฐานพุโทโธพุธโทโธหรือเจริญเมตตาอะไรเงี้ยข่มไว้ยุบหนอพองหนออะไรเงี้ยข่มไว้ทีก็ขม่มลงไปด้วยวิปัสสนาเห็นมันเกิดดับมีสติมีปัญญารู้ทันบางช่วงมันเสื่อมได้เพราะทั้งวิปัสสนาญาณทั้งหลายของเราเป็นโลกียะเสื่อมได้เอาไม่อยู่บางช่วงกรรมฐานก็เสื่อมสมาธิทำไม่ไหว จิตใจก็ฟุ้งซ่านขึ้นมางั้นกิเลส ท, ที่เราละด้วยสมถะมิปัสสนานี่มันทำได้ชั่วครั้งชั่วคราวใหกิเลสละด้วยมรรคเนี่ยตัวไหนโดนละแล้วก็แล้วกันเลยนะหมดอิทธิพลไปเลยนะดีแล้วค่อยดูไม่ถอยก็แล้วกันนะวันนี้จิตซึมค่ะอาจารย์ถูกต้องมีความสงสัยค่ะ จะถามพระอาจารย์ว่าไม่ทราบหนูจะมีความเห็นผิดบางอย่างหรือเปล่าตรงที่ว่าเห็นกิเลสแล้วมันรู้สึกชอบแบบมันความรู้สึกพอใจมันมันแล้วก็สะดวกอะไรอย่างเงี้ยมันที่ได้ดูหรือเปล่าหรือมันที่ได้ตามใจมันคือมันที่ได้เห็นว่าชีวิตมันเป็นท่อนๆแล้วก็มีกิเลสอย่างนั้นอย่างั้นไม่ใช่เรียกว่ามันกับกิเลสนั่นเรียกมันกับการปฏิบัติ ค, <ะ>คือ <he en S 1> แต่ชีวิตท่อนเป็นท่อนๆมันเป็นกิเลสอยู่ในท่อนๆนะนะะอืมดีอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไรอย่างบางคนมันนะโมโหแล้วมันนะสะใจโอ้ภูมิใจนะเที่ยวไปคุยอวดเวลาชั้นโมโหนะเห็นช้างเท่าหมูออย่างงั้นใช้ไม่ได้มิจฉาทิฏฐิมากการที่เราสนุกสนานที่ได้ปฏิบัตินะ่ะดีแล้ว หลวงพ่อก็ต่อสู้กับกิเลสด้วยความมันนะไม่ใช่ด้วยความกลัวสมก่อนภาวนาเห็นกิเลสเกิด น, นะหาทางต่อสู้นะคือไม่มีหลักพยายามต่อสู้แก้ไขแต่ละตัวแต่ละตั ว, ตตวรู้สึกมันมากเลยที่ได้สู้กับมันต่มาพอรู้หลักนะมีสติวับขาดขาดชักไม่ค่อยมันแล้วรู้สึกไม่มีอะไรให้พิพจารณาค้นคว้าเลยชักจะจืดจืด จืดๆเลยชักขี้เกียจก็มีนะชักขี้เกียจแักขี้เกียจแล้วให้รู้ทันอีกดีแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ไปตื่นเต้นไหมวันนี้ครับเคยนมำสกาบน้ำมศการครับหลวงพ่อเคยไปกาบน้ำมศการหลวงพ่อที่กาญจนบุรีตอนนั้นไปด้วยความไม่รู้ก็โดนหลวงพ่อตบซ้ายตบขวามาก็ก็เลยได้พอได้แนวทางครับวันนี้ก็เลยมาส่งการบ้านสักนิดหนึ่งครับ จะว่าอย่างไรครับแล้วไงก็คือตอนนั้นก็ก็ได้แนวทางในการที่จะรู้ว่าเราควรจะรู้ยังไงนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามคิดอะไรก็ให้รู้ว่าคิดอยู่ทั้งนั้นครับดีแล้วนะกิเลสเกิดเราค่อยรู้บ่อยๆใจเราค่อยค่อยตื่นแล้วละ่ะค่อยรู้ไปเผลอไปแล้วรู้สึกไหม <c oughs> ใหม่พล้ลละอมาไป เพิ่งมีโอกาสมากราบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกนะครับ ก, ก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับนี่เห็นหลวงพ่อสอนว่าให้ให้ดูอย่าอย่าไปตามอย่าอย่าไปยึดติดนะครับนี่อย่างอยางอาการตื่นเต้นเนี่ยยิ่งพอเรายิ่งดูมันมันก็ยิ่งยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างคือเร า, าเราดูมันในฐานะที่มันเหมือนคนอื่นนะ อย่างใจเราตื่นเต้นขึ้นมาเราดูไวเนี่ยเหมือนเราดูคนอื่นตื่นเต้นมันจะตื่นเต้นมากตื่นเต้นน้อยนะช่างมันการที่เราได้เห็นความตื่นเต้นเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้จงใจจะตื่นเต้นเดี๋ยวมันก็มากหรือมันจะน้อยเราก็ไม่ได้จงใจให้มันเป็นอย่างนั้นการที่ได้เห็นแล้วเห็นอีกในอารมณ์ทั้งปวงแบบเดียวกับความตื่นเต้นเนี่ยจะเห็นน้าเราบังคับอะไรไม่ได้จริงเลย ตามรู้ไปอย่างใจมันจะโกรธห้ามมันไม่ได้ใจจะตื่นเต้นห้ามมันไม่ได้จะสุขจะทุกข์ห้ามมันไม่ได้เลือกไม่ได้การที่เห็นว่าทำอะไรไม่ได้นี่คือการได้เห็นความจริงว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนะเขามีเหตุเขาก็เกิดหมดเหตุเขาก็ดับเราบังคับเขาไม่ได้เห็นไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมนะเห็นธรรมะไม่ใช่ว่าความตื่นเต้นหรือความโกรธเกิดขึ้นจะต้องหาทางละมัน เราจะตามดูตามรู้ไปเรื่อยจนเห็นความจริงของมันมันมีเหตุก็เกิดไม่มีเหตุมันก็ดับไปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นดูไปดูใจที่ตื่นเต้นเหมือนเราดูคนอื่นตื่นเ ต, น ต, นต้นไปไม่ต้องไปให้หายดียิ่งยิ่งดูไปเรื่อยมีความรู้สึกว่ายิ่งยิ่งเครียดนะครับไม่ของของคุณมันบังคับใจตัวเองเยอะไปนิดนึงใจใจมันไม่ใช่รู้เล่นๆ น, นะมันรู้จริงจังเกินไปมันจะเครียด รู้สึกไหมอย่างตอนนี้เราข่มใจของเรายังยังยังมองไม่เห็นครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าร้อนร้อนที่หน้าตลอดเวลายังบังคับไหมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะหมดเสียงพอดีแปเชิญดโยมไปทันข้าว